หนังสือเริ่มต้นด้วยประวัติยอ่อของพระอาจารย์สองท่านคือหลวงปู่มั่นและหลวงตาพระมหาบัวประวัติโดยย่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนามเดิมมั่นแก่นแก้วบิดามารดาในคำด้วงนางจันแก่นแก้ว เกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่ยี่มกราคมพุทธศักราช2413นอณบ้านคำบงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการบรรพชาและอุปสมบทได้บรรพชาเป็นสนนนามเณรณวัดบ้านคำบงเมื่ออายุ15ปีอุปสมบทเป็นภิกษุณวัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12มิถุนายน พุทธศักราช2436อายุ22ปีนามมคตที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้คือภูริทัตโตเข้าศึกษาในสำนักท่านอาจารย์เสากันตะสีโลวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีการจาริกเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมท่านได้ออกศึกษาธรรมในที่ต่างๆร่วมกับพระอาจารย์เสาและได้ออกมาจำพรรษาที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลานานและเข้ามาจาพรรษาอยู่ที่กรุงเทพและทางเขาพระงามจนถึงปีพุทธศักราช2457ตั้งแต่นั้นได้ไปจําพรรษาในที่ต่างๆจนถึงปีพุทธศักราช 2488-2492 จําพรรษาอยู่ที่บ้านหนองผือตำบลน า, นาในจังหวัดสกลนครมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492 เวลาสองนาฬกานาทีณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครรวมอายุ80ปีสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระประวัติโดยย่อ หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนนามเดิมบัวโลหิต ด, ดีบิดามารดานายทองดีนางแพงสีโลหิต ด, ดีเกิดวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราชสอง6หขึ้น11อดค่ำเดือน9ปีฉลูณนะบ้านตาดอำเภอหมากแข้งหรืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อุปสมบทวัดโยธานิมิตอำเภอหมากแข้งหรืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ฉายาว่ายาณสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมแล้วด้วยการอย่างรู้จำพรรษาในที่ต่างๆจนถึงปีพุทธศักราช2499มาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดปัจจุบันในปีพุทธศักราช2551อายุ95ปี จเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์และเหตุผลเหนือชีวิต